พระสุตตันตปิดกอังคุตระนิกายจะตุกันนิบาทประชุมข้อธรรมะสี่ข้อขอยกมาเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้ผู้ปฏิบัติผิดต่อบุคคลสี่จำพวกหนึ่งปฏิบัติผิดในมารดา 2. ปฏิบัติผิดในบิดา 3. ปฏิบัติผิดในพระตถาคตสี่ ปฏิบัติผิดในพระสาวกของพระพุทธเจ้าบุคคลสี่จำพวกหนึ่งอนุโสตคามีผู้ไปตามกระแส 2. ปฏิโสตคามีผู้ทวนกระแส 3. ทิ ต, ตโตผู้ยืนอยู่อย่างมั่นคง 4. ตินโนปารคาโต ผู้ข้ามได้แล้วถึงฝั่งอย่างปลอดภัยเวสารัชธรรมความองอาจกล้าหาญของพระตถาคตสี่ประการหนึ่งเมื่อทรงปฏิญาณว่าเป็นพระสัมมาสัมพุท ธ, ธะใครๆไม่กล้าทักท้วงว่ามิได้เป็นจริงสองเมื่อทรงปฏิญาณว่าสิ้นอาสวะแล้ว ใครใครไม่กล้าทักท้วงว่ายัางไม่สิน้นสเมื่อบอกว่าสิ่งใดเป็นโทษใครๆไม่กล้าทักท้วงว่าไม่เป็นโทษจริงสเมื่อทรงแสดงว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ใครๆไม่กล้าทักท้วงว่าไม่เป็นประโยชน์จริงเป้าหมายของพรหมจรรย์หรือการบวชคืออะไร พระบรมศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรมจันนี้เราประพฤติไม่ใช่เพื่อหลอกลวงคนเพื่อให้คนบ่นเพ้อถึงเพื่ออานิสงค์คือลาบสการะและชื่อเสียงเพื่อเป็นเจ้าลัทธิเพื่อให้คนรู้จักเราแต่ที่แท้เราประพฤติรมจันเพื่อความสำรวมระวังเพื่อละกิเลสเพื่อคลายกำหนัดยินดีเพื่อดับกิเลสโดยสิ้นเชิง ลักษณะของมหาบุรุษสี่ 1. ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่คนหมู่มาก 2. ให้คนหมู่มากประดิษฐานอยู่ในยาณธรรมอันประเสริฐคือกา ร, รยาณธรรมและกุศลธรรม 3. ชำนาญในทางแห่งการตรึกคือคิดหรือไม่คิดเรื่องใดๆได้ตามปรารถนา 4. ได้ฌานสี่ ทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะพระบรมศาสดาเป็นพุท ธ, ธเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นพระศาสดาเสด็จพุท ธ, ธดำเนินทางไกลระหว่างเมืองอุ ก, กัทะกับเมืองเศตัฐพยะโทยพราหมณ์เดินตามหลังมาเห็นรอยบาทต้องด้วยมหาปุริสลักษณะจึงเข้าไปูลถามว่า ท่านเป็นเทวดาหรือพระพุทธองค์ทรงปฏิเสธเขาถามต่อว่าเป็นยักษ์หรือเป็นมนุษย์หรือพระพุทธองค์ทรงปฏิเสธเมื่อเขาถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านเป็นอะไรพระพุทธองค์มีดำรัสตอบว่าพุทธะผู้มีธรรมะสี่ประการไม่มีทางเสื่อมหนึ่ง สมบูรณ์ด้วยศีลสองสำรวมอินทรีย์คือระมัด ร, ระวังการแสดงออกทางประสาทสัมผัสสามรู้จักประมาณในการกินสี่มีความภาคเพียรพยายามตื่นอยู่เสมอการตอบปัญหาสี่อย่างหนึ่งเอกังสภายาการณียะตอบยืนยัน ตอบแง่เดียว 2. วิพัตชพยาการณียะแยกประเด็นตอบ 3. ปฏิบุตรชาพยาการณียะย้อนถามแล้วจึงตอบสถัปนียะงดตอบตัดประเด็นโลกในความหมายของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลไม่อาจไปให้ถึงที่สุดโลกด้วยการไปธรรมดาแต่เมื่อยังไม่ถึงที่สุดโลกก็จะทําที่สุดทุกข์ไม่ได้อวุโสเราบัญญัติโลกการเกิดแห่งโลกความดับโลกและทางให้ถึงความดับโลกที่ร่างกายยาวานาคืบมีสัญญามีใจครองนี้สิ่งไกลกันสี่อย่างหนึ่ง ฟ้ากับดิน 2. ฝัง่งนี้กับฝั่งโน้น 3. พระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตก 4. ธรรมะของสัตบุรุษกับธรรมะของอาสัตบุรุษสิ่งเศร้าหมองของสมณพราหมณ์สี่ประการ 1. การดื่มสุราเมรยัย 2. การเสพเมถุนธรรมส การยินดีเงินและทอง 4. การประกอบมิจฉาชีพการอยู่ร่วมกันแห่งสามีพัญญาสี่ประเภท 1. ศพอยู่ร่วมกับศพหมายถึงสามีพัญญาไรศิลธรรมทั้งคู่ 2. สศพอยู่ร่วมกับเทพหมายถึงสามีไรศิลธรรมพัญญามีศิลธรรมสาม เทพอยู่ร่วมกับศพสามีมีศีลธรรมพัญญาร้ศีลธรรมสเทพอยู่ร่วมกับเทพสามีมีศีลธรรมพัญญามีศีลธรรมคู่สร้างคู่สมมีธรรมะสี่ประการหนึ่งสมัสัทธามีศรัทธาสมกันสองสมัสีลามีศีลสมกัน สมสมจาคามีจาคะสมกัน 4. ส, สมปัญญามีปัญญาสมกันสุขของเขาฤ ห, หัต ส, สี่อย่าง 1. สุขเพราะมีทรัพย์ 2. ส, สุขเพราะได้ใช้สอยทรัพย์ 3. ส, สุขเพราะไม่มีหนี้ 4. ส, สุขเพราะทํางานสุจริตไม่มีโทษ สำคัญที่ผู้นำพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อฝูงโคข้ามฟากหากโคจ่าฝูงนําไปคคโคทั้งหลายจะเดินคดตามหากโคจ่าฝูงนําไปตรงโคทั้งหลายก็จะเดินตรงตามฉันใดในมนุษย์ก็ฉันนั้นใครที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ให้เป็นผู้นำถ้าคนนั้นไม่ประพฤติ ธ, ธรรม คนทั้งปวงก็จะทำตามรัฐก็เดือดร้อนถ้าผู้นำประพฤติรมคนทั้งปวงก็ประพฤติรมตามรัฐก็มีแต่ความสุขสมบูรณ์อาจินไตสี่อย่างหนึ่งพุทธวิสัยพระกำลังความสามารถพระปรีชาญาณของพระพุทธเจ้า 2. ชฌานวิสัย เรื่องความสามารถของผู้ได้ฌาน 3. กรกา ม, กมวิปากวิสัยเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรม 4. โลกจินตาคิดเรื่องโลกเหตุที่ทำให้การค้าขาดทุนและได้กำไรสี่อย่าง 1. ขาดทุนย่อยยับหมดเพราะปะวารณาจะถวายปัจจัยสี่ แก่ผู้ทรงศีลแล้วไม่ถวาย 2. ไม่ได้กําไรเท่าที่ควรเพราะถวายน้อยกว่าที่ปาวารณาไว้ 3. ได้กําไรตามต้องการเพราะถวายตามที่ปาวารณาไว้ 4. ได้กําไรเกินคาดหมายเพราะถวายมากกว่าที่ปาวารณาไว้ บุคคลสี่จำพวกนัยยะที่หนึ่งมืดมามืดไปมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปสว่างมาสว่างไปนัยยะที่สองจมแล้วจมอีกจมแล้วลอยขึ้นลอยขึ้นแล้วจมลงลอยขึ้นแล้วลอยขึ้นอีกนัยยะที่สามคนฟ้าร้องฝนไม่ตกคนฝนตก ฟ้าไม่ร้องคนฟ้าไม่ร้องฝนไม่ตกคนฟ้าร้องฝนตกในยะที่สี่ขนหม้อน้ำเปล่าปิดฝาคนหม้อน้าเต็มเปิดฝาคนหม้อน้ำเปล่าเปิดฝาคนหม้อน้ำเต็มปิดฝาในยะที <kennt S 2> <IN S 2> ่ห <coeur> ้านมะม่วงดิบสีสุกคนมะม่วงสุกสีดิบคนมะม่วงดิบสีดิบ คนมะม่วงสุกสีสุกการฆ่าในความหมายแห่งอริยวินัยพระพุทธเจ้าทรงสนทนากับผู้ฝึกม้าชื่อเกสีนายเกสีกราบทูลถึงวิธีการฝึกม้าของเขาว่าใช้วิธีละมุนละม่อมบ้างวิธีรุนแรงบ้างทั้งสองวิธีรวมกันบ้างถ้าม้าตัวไหนฝึกไม่ได้ก็จะฆ่าทิ้ง พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์ใช้วิธีเดียวกับนายเกสีบางครั้งก็ส่งใช้วิธีละมุลละม่อมบางครั้งส่งใช้ทั้งสองวิธีถ้าใครฝึกไม่ได้ก็ส่งฆ่าทิง้งซะเมื่อนายเกสีทูลถามว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ควรแก่พระองค์ไม่ใช่หรือพระองค์ทรงอธิบายว่าการฝึกอย่างละมุลละม่อมหมายถึง ชี้ให้เห็นสุจริตการฝึกอย่างรุนแรงหมายถึงชี้ให้เห็นทุจริตและผลแห่งทุจริตการฆ่าในความหมายแห่งอริยวินัยนั่นคือการไม่ว่ากล่าวตักเตือนลักษณะของภิกษุเทียบกับม้าอาชาในสี 1. หนึ่งซื่อตรงเทียบกับม้าที่ซื่อตรง 2. มีปัญญาเทียบกับม้าวิ่งไว 3. สอดทนเทียบกับม้าที่ทนต่อความเจ็บได้สสงบเสงี่ยมเทียบกับม้าที่สงบเสงี่ยมบุรุษอาชาในเมื่อเทียบกับม้าอาชาใน 1. เพียงได้ข่าวคนเจ็บคนตายก็สลดจิตรเริ่มตั้งความเพียรเพื่อแทงตลอดสัจจะ เทียบกับม้าอาชาในพอเห็นเงาประตักก็สำเนียกรู้สิ่งที่สารถีต้องการให้ทำสอเมื่อเห็นคนเจ็บคนตายด้วยตาจึงสลดจิตเทียบกับม้าอาชาในถูกแทงด้วยประตักจนขนร่วงจึงสำเนียกรู้ 3. เมื่อเห็นญาติสายโลหิตของเขาเองเจ็บหรือตายจึงสลดจิต เทียบกับม้าอาชาในถูกแทงจนทะลุหนังจึงสำเนียกรู้สเมื่อตอนเองเจ็บจึงสลดจิตเทียบกับม้าอาชาในถูกแทงทะลุกระดูกจึงสำเนียกรู้คุณสมบัติของภิกษุผู้กวนบูชาเทียบกับช้างดีสี่ประการหนึ่งฟังเป็น ฟังแล้วจับสาระได้เทียบกับช้างรู้จักรับฟังคําสั่งของควาน 2. ค่าเป็นคือกําจัดวิตกสาเทียบกับช้างสามารถค่าค่าศึกในสงคราม 3. อดทนเป็นมีขันติธรรมเทียบกับช้างทนต่ออาวุธต่างๆในสนามรบ 4. ไปได้ หมายถึงไปสู่นิพพานเทียบกับช้างควานใส่ไปทางไหนก็ไปได้ตามต้องการบุคคลสี่จำพวก 1. ปุคติตันยูบุคคลผู้ตรัสรู้เร็ว 2. วิปจิตันยูบุคคลผู้ฟังเขาอธิบายแล้วตรัสรู้สนืเนยยะ บุคคลที่เข้าแนะนำพร่ำสอนบ่อยๆจึงตรัสรู้ 4. ปรปะทะปรมะบุคคลไม่อาจรู้ธรรมะได้เลยบุคคลสี่จำพวกอีกในหนึ่งหนึ่งผู้ออกแต่กายใจไม่ออก 2. ผู้กายไม่ออกแต่ใจออก 3. ผู้ไม่ออกทั้งกายและใจ 4. ผู้ที่ออกทั้งกายและใจโรคของนักบวชสี่อย่าง 1. มีความอยากมากขับแค้นมาก 2. ไม่สันโดษในปัจจัยส 3. อยากมากขับแค้นมากปรารถนาลามกให้ได้ปัจจัย ส, สี่พยายามเพื่อการนั้นเข้าไปสู่ตระกูล ทำความคุ้นเคยกับเขาอุตส่านั่งกลั่นอุจจาระปัสสาวะในบ้านเขานานๆธรรมะสี่ประการที่ให้พระสัตว์ทรรมอันตรธาน 1. ภิกษุเรียนพระสุตรตันตๆไม่ดีเสียคำเสียความคือเรียนผิดผิด 2. ว่ายากไม่อดพนไม่ฟังคำตักเตือนโดยเคารพ 3. พวกที่เรียนมากทรงจําได้มากก็ไม่สอนคนอื่นสพระที่เป็นเทระก็มกักมากในปั จ, จัจสี่หย่อนในสิกขาเต็มด้วยนิวรไม่เพียรเพื่อบรรลุ ธ, ธรรมและเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ชนรุ่นหลังฐานะสี่ประการหนึ่งจะทราบศีลของบุคคลด้วยการอยู่ร่วมกัน 2. จะทราบความสะอาดด้วยถ้อยคําข้อนี้บางแห่งแปลว่าการงาน 3. จะทราบความกล้าหาญในเวลามีอันตราย4จะทราบปัญญาด้วยการสนทนาธรรมะสี่ประการความรักเกิดเพราะความรักก็มีโทสะเกิดเพราะความรักก็มี ความรักเกิดเพราะโทสะก็มีโทสะเกิดเพราะโทสะก็มียอดแห่งพระมรรจันทร์พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระมรรจันทร์ที่เราประพฤตินี้มีสิกขาเป็นอานิสงมีปัญญาเป็นยอดมีวิมุตเป็นแก่นมีสติเป็นอธิปไตย การนอนสี่แบบเตตะเสยยานอนอย่างเปรตกามัพโควีเสยยานอนอย่างผู้บริโภคกามศีหะเสยยานอนอย่างราชสีตถาคตะเสยยานอนอย่างพระตถาคตตระกูลมั่งคัง่งตั้งอยู่ไม่ได้นานเพราะเหตุสีอย่างหนึ่ง ไม่สแสวงหาของที่หาย 2. ไม่บูรณะซ่อมแซมของเก่า 3. ไม่รู้จักประมาณในการใช้สอยสตั้งบุรุษหรือสตรีผู้ทุศีลเป็นพ่อบ้านแม่เรือน